ต, ตระพิเวสุตวะริยสาวโก о. อิติปติสันจิกติอธินุโคตังกินจิโลกาสมิงยมหังอุปาติยมโนณวัชวาอ ส, สันติโสเอวังปชานาตินธินุโคตังกินจิโลกาสมิงยัมมหังอุปาติยมโนณวัชวา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 ที่เมื่อเรายึดถืออยู่จะเป็นผู้หาโทษไม่ได้ยินดีต้อนรับส่สตานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมา ร, ระปรุณทุกวันพระเจ้ชาพระมหาไยบุ์อาพิปุนโหนดำเรื่องราวต่างๆมาให้ทุกฝังได้ฟั ง, ฟงในทุกวันอังคาร เป็นช่วงเวาที่เรามีนัดกันในการที่จะมาปฏิบัติทำสมาธิชนิดที่เป็นรูปแบบฟังไปด้วยตั้งสติไปด้วยให้ธรรมะ ท, ที่เราฟังนั้นมันซึมลึกเข้าไปสู่จิตใจเพื่อที่จะกําจัดเจ้าอาสวะกิเลนนั่นแหละมันฟังอยู่ลึกๆนั้ น, น, นเราจะกําจัดมันออกไปได้ ก็ต้องได้ฟังมึงฟังตรงฟังฟังผ่านหูเมือเข้าไปใกล้โครนอยู่ในสมองรวมกับซึมลึกเข้าสู่ใ จ, ใจิตใจสกัดเจ้ากิเลสอวิชชาตันหาอาสวะออกไปพอแทงตลอดซึ่งธรรมะที่ได้ฟังแทงตลอดซึ่งธรรมะที่ได้ยินการฟังการทำการปฏิบัติก็เกิดได้ เรามาตั้งสติเอาไว้ดู่ังวันนี้เราจะเจริญธรรมะด้วยสติคือการตามระลึกถึงธรรมะตรงไหนคือธรรมะคิดเลยวันนี้เราคิดไรกูกรเลยคิดดูสิว่าให้ลองคิดดูนะวันนี้ไม่ต้องคิดเรื่องอืง่นใดเลยเราคิดเรื่องนี้เรื่องเดียวมีไหมในโลกนี้ มีไหมสักสิ่งหนึ่งที่ถ้าเมื่อเรายึดถืออยู่เนี่ยมันจะหาโทษไม่ได้หมายความว่ามากยิ่งเท่าเรายึดถือมากเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งมั่นคงเหียงแท้ถาวรเป็นไปตามอย่างที่เรายึดถือยิ่งยึดถือมากยิ่งมั่นคงมีไหมเหอ้าเราคิดคิดดู ยังไงคือความยึดถือความยึดถือนี่คือลักษณะที่เราปรารถนาว่าอสิ่งนี้จงเป็นอย่างนี้อย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เลยอยู่ถือในลักษณะที่ให้มันเป็นอย่างนั้นก็มีเอาไม่ต้อง อ, อนหลนายนิย่าเอานิย่าเดียวนี่แหละคือยึดถือว่าเออเจ้าเออสิ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นความคิดสิ่งของ หรือของง่ายๆอย่างโทรศัพท์มือถือเราร่างกายเราของของเราหรือของของคนอื่นหรือจะเป็นไอเดียทางการเมืองไอเดียทางความคิดนึกสิ่งประดิษฐ์อะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันน่าพอใจมีความให้เราพอใจให้เรายินดีได้นี่เออมัน อยู่แบบนี้ก็ดีนะอยู่แบบที่ว่าให้มันเป็นนี้อยู่ตลอดเนี่ยแลนี่คือลักษณะความยึดถือใช่หมแล้วถ้าเรายึดถือสิ่งใดเสนึงแล้วเนี่ย <c oughs> เกิดว่ามันจะมีความเป็นไปอย่างนั้น <c oughs> ยิ่งมากขึ้นมันจะมีความเป็นไปอย่างนั้น <c oughs> เหมือนเดิมตามที่เราปรารถนาตามที่เรายึดถือเอาไว้ ไม่เปลี่ยนแป ล, ปลงไปเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นคือมันจะหาโทษไม่ได้ใช่ไโทษในที่นี้หมายถึงความที่มันไม่เที่ยงความที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันเป็นโทษใช่ไหมหรือถ้าจะไม่ให้มีโทษก็คือให้มันเที่ยงแท้เหมือนเดิมปกติเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดถ้าความที่มันจะเที่ยงแท้เหมือนเดิมเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดแปรผันไปตามความยึดถือ ของเราก็ตามเอา้าของคนอื่นด้วยก็ตามของใครก็ตามยิ่งท่าง ย, ยึดถือมากยิ่งมั่นคงมากยิ่งเที่ยงแทมากมันมีไหมมันเป็นอย่างนั้นไหมเราลองคิดดูยึดถือในเงินทองยึดถือในบ้านเรือนยึดถือในสิ่งของแล้วสิ่งนั้นเนี่ยยิ่งจะเป็นอย่างนั้นมากยิ่งขึ้นยิ่งจะไม่เปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นยิ่งจะคงพลถาวรเที่ยงแทแบบนั้นมากขึ้นเนี่ย มันมีไหมมันเป็นไหมสิ่งใดที่เป็นแบบนี้บ้างเอามีสิท่านเงินทองไงคุนตั้งใจวางแผนว่ามันต้องงอกปีละเอาเดี๋ยวนี้ก็สักหเปอร์ซก็รู้แล้วบางคนทําได้เ็ดเเโอ้ยเยอะ ม, มากเลยเออก็เจ็ดเนก็แล้วกันอันนี้บอกว่ามองโลกในแง่ดีซะหน่อยหนึ่งเอาก็เอาไปทำํำมาทำแล้วก็ทำได้ นี่ไงพอยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งขอแล้วกวาไปวางแผนใส่กระบวนการคิดขั้นตอนเราก็แบบตั้งทีมงานขึ้นมามีการลงทุนทำนั่นนี่สิ่งนั้นมันก็สำเร็จขึ้นมาได้ไงมันก็เป็นไปตามที่ยึดนั้นเกิดมีขึ้นมาเร า, าทำความเข้าใจในข้อ น, นี้นะทฝังในโลกเนี้มีไหมสิ่งใด สักอย่างหนึ่งที่เมื่อเรายึดถืออยู่เนี่ยจะเป็นผู้ที่หาโทษไม่ได้เรามาทําความเข้าใจไปทีละข้อทุกฝังที่ว่าหาโทษไม่ได้หาโทษไม่ได้ในที่นี้หมายถึงความไม่เที่ยงเนี่ยความเป็นผู้ความเป็นอนัตตานี่คือโทษของสิ่งต่างๆในโลกนี้คี้ว่าโทษนี้มันจะถูกกําจัดออกไปได้ตามความยึดถือของเราไหม นี่คือคำถามนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดโทยคือความไม่เที่ยงมันจะถูกกาจัดออกไปด้วยความยึดถือของเราเป็นเหตุใช่หรอเอาใหม่นี้ยังไงนะโลกนี้คืออะไรใครควรดูโลกนี้ก็คือเนี่ยแหละดินน้ำไฟลมสิ่งที่เราเห็นภูเขาเท้อง ฟ, ฟ้าต้นไม้แต่จะพูดก็คือสิ่งที่เป็นรูปอะนี้เราเห็น ของแข็งของเหลวกส๊สอย่างสิ่งที่เป็นนาำอีกที่เราวอกไม่เห็นเห็นความรู้สึกก็เป็นเวทนาความหมายรู้ก็เป็นสัญญาการปรุงแต่งก็เป็นสังขารการรับรู้ก็เป็นวิญญาณลวงนี้ก็คือขานาเนี่แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ขันหอยู่ที่ไหนเราจะมีความยึดถือเกิดมันไม่เกิดในอย่างอื่นนอกจากในขันห้าอุปทานคือความยึดถือเกิดในขันห้าเท่านั้นไม่เกิดอยู่ในอย่างอื่นโลกนี้คือขันหา้าจะมีความยึดถือเกิดต้องเกิดในนี้เท่านั้นเราจะมีความยึดถืออยู่ในขันหเมื่อไหรแล้วขันห้ามันยังจะเที่ยงอยู่ไหม เรามีความยึดถือในขันห้าเมื่อไรขันห้านี่ยิ่งจะมั่นคงเป็นอย่างนี้ไม่เปลี่ยนแปลงไปโทษของขันห้านั้นเจอไม่มีและผันไปตามความยึดถือของเราคือถ้ายึดถือน้อยมันก็เปลี่ยนแปลงง่ายโทษมันมีเยอะคือถ้ายึดถือมากมันก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงโทษมันลดลงยึดถือมากที่สุดยิ่งไม่มีโทษเลย ยิ่งที่ยงแท้แน่นอนมั่นคงเป็นอย่างนั้นไหมคิดดูนะมันส่วนไหนของขันห้าบ้าเอา้าเราจะไม่ได้อธิบายตามรูปเวทนาสัญญาสังการวิญญาณเอาเป็นตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็ได้เอาโลงในแบบพยตนะนี่ก็มีสิ่งที่เห็นผ่านมาเป็นแสงนั่นก็เป็นภาพเป็นรูป เข้าสู่รับรู้ได้ก็ต้องผ่านดังตาอย่างที่พวกเ้าฟังได้ยินเสียงของข้าพเจ้าที่มันผูกผลิตประดิษฐ์มาจากลำโพงไปอีกต่อหนึ่งนี่มันก็เป็นเสียงคือคลื่นที่ผ่านการสัน่นสะเทือนของอนุภาคต่างๆในอากาศเป็นเสียงเราจะรับรู้ได้ก็ต้องผ่านหูจมู ก, กรับรู้กลิน่นลิ้นก็รับรู้รส กายก็รับรู้ความร้อนความเย็นหนึ่งคือปุถะพะสิ่งที่เป็นความรู้สึกเป็นธรรมารมเป็นเรื่องของนามธรรมความคิดนึกต่างๆนั่นนี่ <c oughs> ก็ต้องรับรู้ผ่านทางใจเราจะรับรู้การมีอยู่ของโลกภายในได้ <c oughs> ก็ต้องผ่านทางอวัตนะทั้ง6กตาหูจมูกลิน้นกายและใจในโลกทั้งหมดนี้ ที่ว่าเป็นอเยตนาหกนี้ทั้งภายในภายนอกนี่ถ้ายิ่งเรายึดถือในสิ่งนั้นแล้วมันเที่ยงแท้แน่นอนมั่นคงไม่แปรผันเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งอื่นๆแต่ว่ามีความมั่นคงเที่ยงแท้ไม่มีโทษตามความยึดถือของเรานี่นี่คือประเด็นที่พระพุทธเจ้าท่านให้เรา ไร้กล่วนดูสิมันมีไหมมันมีไหมถามตัวเองดูคิดไร่กลัวนดูในโลกนี้บางสิ่งบางอย่างเรายึดถือด้วยความเป็นของเราอันนี้มีนะเรารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นของเราเป็นเสื้อผ้าของเราเป็นรองเท้าของเราเป็นกางเกงเป็นรถเป็นที่อยู่ของเรานี่ลองสังเกตดูสิว่าสิ่งนี้มันเป็นโลกนะเสื้อผ้า เรื่องนุ่งห่ปัจจัยสี่ทั้งหมดที่ว่ามันเนี่ยมันเป็นโลกโลกเหล่านั้นสิ่งนั้นๆที่เรายึดถือว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยเออมันมีโทษไหมเอาอันนี้ไม่ต้องพูดถึงสิ่งหรือนเอาสิ่งที่เรายึดถือนี่ก่อนวันนี้เป็นของเราเป็นบ้านของเราเป็นสิ่งของของเราโทษของมันคืออะไรโทษในที่นี้เราไม่ได้พูดอะไรอย่างอื่นเลยว่าถึงในทางชีวเคมี ในทางฟิสิกส์หรือในทางสังคมอะไรคือถ้าในทางเกี่ยวกับสุขภาพเขาอาจจะบอกว่าเ อ, อพลาสติกไม่ดีกินไม่ได้เนื่นมันมีโทษคือเราไม่ได้เอาอะไรพวกนั้นหรือว่าในทางสาธารณาสุขอาหารประเภทนี้กินไม่ได้เพราะมันจะเป็นผลเสียต่อสุขภาพเป็นโทษคือเราไม่ได้เอาอะไรพวกนั้นตฝังเราเอาแค่ว่าถ้ามันมีความไม่เที่ยงนี้ มันคือโทษถ้ามันไม่มีความไม่เที่ยงอย่าไปพูดว่าเที่ยงนะแต่พูดว่าไม่มีความไม่เที่ยงถ้ามันไม่มีความไม่เที่ยงนั่คือโทษมันถูกกาจัดออกไปคือมันไม่มีโทษเพราะฉะนั้นสิ่งของที่เรายึดถืออยู่เนี่ยเรายิ่งยึดถือมากเท่าไหร่มันยิ่งจนลดความไม่เที่ยงของมันลงมากเท่านั้น เป็นอย่างนั้นเปล่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคิดดูดีๆเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าบ้านรถที่เราบอกว่าอ้นี่เป็นของเราของเราเงินทองของเราอะไรก็ไม่รู้หลักที่เราบอกว่าเป็นของเราไม่ต้องอะไรที่มันยึดถือมากก็ได้เอาแบบไม่ต้องมากเอาพอดีพอดียึดถืออยู่เนี่ยแล้วมันลดความไม่เที่ยงของมันลงตั้งแต่ก่อนที่เราจะได้มันมาไหม ก่อนที่เราจะไปซื้อเสื้อตัวนี้มาซื้อรถคันนี้มาก่อนหน้านี้ที่มันยังไม่มีใครเป็นเจ้าของนี่หรือต้นไม้เราปลูกมาเนี่มันยังไม่มีใครเป็นเจ้าของนี่เราพเพิ่งจะคิดว่าเออนี่มันปลูกในที่ของเราเราก็เป็นเจ้าของมันถามว่ามันลดความไม่เที่ยงของมันลงหรือเปล่าตั้งแต่ก่อนที่เราจะได้มันมาถ้าเราคิดดูดีๆนะทุกัง เราจะพบว่าไอ้สิ่งที่เราได้มันมาแล้วเราก็ยึดถือว่าเป็นของเราเนี่ยก่อนหน้านั้นมันไม่เที่ยงยังไงเราได้มันมาแล้วเรามีความยึดถือในมันมันก็ไม่เที่ยงเหมือนเดิมมันละมันไม่ได้ลดความไม่เที่ยงของมันลงเลยนะโทษของมันไม่ได้ลดลงเลยนะความไม่ดีของมันตามนิยต์โดยความเป็นความไม่เที่ยงเนี่ยมันก็เหมือนเดิมอะไร ภาษาอิสายก็เรื่เหมือนเดิมมันเหมือนเดิมเลยความไม่เที่ยมมันก็ยังมีเหมือนเดิมมันไม่ได้เปแปรผันตามความยึดถือของเราฝังย่างดีนะคิดไคร่ครุ่นดูดีๆท่านผู้ฟังคิดไคร่ครุ่นดูดีๆอย่าเพิ่งรำคาญว่าโอ้พระมายไปบุญทำไมพูดซ้าไปซ้ามาซ้าย้ำนั่นแหละท่านผู้ฟังมันดีเราใช้สติสัมปชัญญะของเราไคร่ครุ่นในก้อนนี้ โทษคือความเป็นกองไม่เที่ยงก่อนหน้านี้มันไม่เที่ยงมาอย่างไงพอยึดถือแล้วก็ยังไม่เที่ยงเหมือนเดิมมาละก็แล้วมันจะมีปัญหาอะไรล่ะก่อจะก่อนยึดถือก็ไม่เที่ยงยึดถือแล้วมันก็ไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงเหมือนเดิมอ่ะแล้วก็จะไปมีปัญหาอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรเราจะไปบังคับตามความไม่เที่ยงของมันหรือเที่ยงของมันตามความยึดถือน้อยหรือมากของเรามันไม่ใช่ประเด็น ประเด็นคือโทษของมันมีเหมือนเดิมแต่โทษของความยึดถือเนี่ยมันมีมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรายึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมืา่าวังเพราะความยึดถือเป็นเหตุจึงมีความเป็นสภาวะขึ้นมาเพราะมีความเป็นสภาวะเป็นเหตุจึงมีความเกิดขึ้นมาเพราะมีความเกิดจึงมีความแก่ความตาย คมโศกความรำไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดขึ้นความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งสิ้นทั้งมวลจึงมีได้เป็นแบบนี้ตามความยึดถือนะยึดถือเนี่ยไปตรงไหนปุ๊บเนี่ยมันจะมีอาสวะมาทาจีกร้อยแปดเปื้อนทันทีเจ้ามองทันทีโศกปรกทันที จิตเรายิ่งต่ำตมลงตามความยึดถือที่มันมากขึ้นแต่เราคิดว่ายึดถือมากขึ้นแล้วความไม่เที่ยงมันจะลดลงมันจะยิ่งดีมากขึ้นมันจะยิ่งหาโทษไม่ได้แต่ยิ่งยึดถือมากเท่าไหร่โทษมันดันเกิดขึ้นที่จิตของเราให้มีความเศร้าหมองอย่างเช่นว่าเงินเอาเงินทองคนยึดถือมากเอาสักเท่าไหร่เอาร้อยล้าน เอาสักจำนวนหนึ่งเรายกขึ้นเป็นตัวเลขขึ้นมาแล้วเขาใจอายุก่อนหน้านี้เป็นมาอย่างไงไม่เที่ยงยังไงได้มาเป็นของราคะมันก็ไม่เที่ยงอย่างนั้นแหละท่านเขาใช้อยู่ตายไปก็ออกไปไม่ได้ไม่มีปัญหาคําคถามคือว่าเอาแล้วถ้าก่อนหน้านี้ไม่มีมีมาแล้วก็เอาไปไม่ได้เอาแล้วจะมีทําไมก็ไม่มี ก็เหมือนเดิมปะแต่ไปแล้วคุณก็ณไม่ไดเอาไปด้วยแต่ว่าแหมถ้าผมว่ามีอยู่ตอนนี้มันก็ยังได้ใช้ได้จับได้สอยได้ทำนั่นนี่นะเพราะมีเงินคนเรามันเป็นอย่างนี้ต้ฟังว่าพอมีแล้วเนี่ยยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราแล้วใช่ไหมในเงินตอ น, นั้นเนี่ยมันมีความเศร้าหมองเกิดขึ้นที่จิตเพราะอาสวะนี่มันนาใัยอุปท า, านเป็นเหตุให้เกิด เพราะมีอุปาทานคือความยึดถือในขันห้าในเอตนาหกอย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่เที่ยงไงมันก็ไม่เที่อย่างนั้นไปถูกไหมขันห้ามันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะเอตนะ6ตาหูจมูกลิ้นใครใจมันมีเหตุปัจจัยมายังไงมันก็ไม่เที่ยงตามเหตุปัจจัยนั้นไปแต่ไอ้เจ้าความยึดถือพอมันมีในขันห้าหรือเยตนานานๆแล้ว มันทาให้เกิดความเป็นสภาวะขึ้นมาความเป็นสภาวะนั้นคือภพธมวังภพเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่าเป็นตัวตนขึ้นมาความเป็นตัวเป็นตนขึ้นมานี่คือความที่เปนภพแล้วเหมือนจึงมีการก้าวลงไปการก้าวลงไปนั้นคือการเกิดแล้วมีการก้าวลงไปมีการเกิดมีสภาวะแห่งการสะสมขึ้นมาสะสมอะไระ ก็สะสมบุญหรือสะสมบาปตามแต่ความยึดถือที่คุณปรุงแต่งไปไงโดยความยึดถือแล้วคุณปรุงแต่งไปในส่วนที่เป็นอะบุญคือเป็นบาปมันก็สะสมบาปเอาไว้อยู่ที่จิตของเราแต่ความยึดถือเป็นลักษณะนี้แล้วคุณปรุงแต่งไปในส่วนที่เป็นบุญมันก็เป็นบุญสะสมไว้เป็นดสาสวะของเราอยู่ในจิตของเรามีความเป็นเราตั้งแต่ตอนมีความยึดถือแล้ว มีความยึดถืออยู่ที่ไหนมันจะมีความเป็นสภาวะมีความเป็นตัวเรามีความเป็นพบอาสวะก็อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงไหนนะอาสวะมั่อยู่ที่อื่นหรอกอยู่ที่จิตนั่นแหละอาสวะก็อยู่ที่จิตเพราะจิตมีอาสวะแล้วอาสวะเนี่ยก็เป็นอาหารของอวิชชาอาสวะเกิดจึงเป็นเหตุเกิดของอวิชชาอวิชชาเนี่ยมีอาสวะ เป็นอาหารพอมีอวิชชาคือความไม่รู้อวิชชาก็เป็นอาหารของตัณหาตัณหาคือความเญญาตือนอยากตั้ฟังมีความยินดีพอใจในสิ่งใดความพอใจความยินดีมันคือตัณหาในอะไรก็ไม่มีในอะไรอื่นหรอกนอกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเวทนาสัญญาสังการวิญญาณ ในกันห้าในอริยตนะหหมือนก็จึงไปยึดถือสิ่งนั้นเนี่ยว่าเออต้องเป็นอย่างงี้นะอย่าเป็นอย่างนั้นเลยมีความยึดถือก็คืออุปทานเหมือนเดิมมีอุปทานแล้วมันก็มีความเป็นสภาวะเหมืนก็ไปเพิ่มลักษณะการสังสมคือเป็นอาสวะอาสวะก็เป็นอาหารของอวิชชาอาวิชชาเนี่ยก็เป็นเหตุให้เกิดตัณหามีอวิชชามากเท่าไหร่ก็เป็นอาหารของตัณหามากเท่านั้น มีตัณหามากขึ้นเท่าไหร่มันก็ทําไม่เกิดอุปบาสทานความยึดถือในสิ่งที่เราไปรับรู้รั บ, รบทราบรับเห็นต่อเนื่องกันไปบางคนนับฟังมีความยึดถือในสิ่งที่ตัวเองไม่มีด้วยซ้าเอาเราบอกว่าเรืองนี้ของเราบ้านรถรองเท้าอาหารสิ่งต่างๆเป็นของเราของเรานี่บางคนความอยากความยึดเหมือนคลืบอผ่านไปถึงสิ่งที่เรายังไม่มี ชิ้นทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นเรายังไม่มีรถคันนั้นเรายังไม่มีมันอยากได้ตรหนักใช่ปะมันก็ไปยึดเอาฉันต้องทำต้องยังไงถึงจะได้มาแล้วถ้าด้วยความยึดถือคืออุปทานนี้เป็นเหตุให้เกิดการปรุงแต่งในลักษณะที่เป็นอาบุญคือเป็นบาปมันก็จะทำขโมยได้การปรุงแต่งในลักษณะที่เป็นอาบุญก็ไปขโมยมา ไปแถมาไปหลอกลวงเข้ามาตามความยึดถือที่มันมากนี่แหละพอมีการปรุงแต่งชนิดที่เป็นบาปบาปก็สะสมเข้าไว้ในจิตอีกจิก็มีบาปสะสมไว้เป็นอาสวะไว้หรือในลักษณะที่เป็นบุญก็เหมือนกั น, นถ้าเรามีเจตนาเว้นจากการพูดคำหยาบพูดเท็จพูดส่อเสีเป็นต้นนี่อัี้เป็นเจตนาชนิดที่เป็นบุญ แต่ด้วยความยึดถือว่าอันนี้ตัวฉันทมนะนี่ตัวฉันกายของฉันจิตของฉันมันก็เป็นอุปทา น, นคัอความยึดถือใช่ปะแต่ว่าตัวฉันตั้งเจตนาไม่บาปะตั้งเจตนาที่เนบุญเออแน่นก็เป็นส่วนว้วบุญสะสมไว้ในจิหมกันอาสวะไม่ว่าจะรูปแบบไหนสะสมไว้ก็เป็นอาหารของอวิชชาแต่ยิ่งเป็นบาปอาสวะนั้น ก็ให้ไปเกิดในนรกกาเนิดเทระชานไปวิสัยหรือถ้าเป็นอาสวะที่เป็นส่วนแห่งบุญอาสวะนั้นก็ทำให้ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนทันเป็นเทพเป็นเทวดาไปสภาวะที่จิตไปอย่างนั้นเนี่ยจิตมันไปไงตามสภาวะแห่งการสังสมจิตไปจิตไปเนี่ยหมายความว่ามันไปยึดถือนะยึดถือตามอำนาจของตันหา ที่มีอวิชชาเป็นอาหารอาวิชชาที่มีอาสวะนั่นแหละเป็นอาหารนี่ซ้ำไปซ้ำมาย้ำไปย้ำมาวนไปอย่างนี้นะเลื่อนหน้าถอยหลังเนี่เพื่อให้ท่านผู้ฟังเข้าใจว่าเวลาที่เรามีความยึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งน้อยก็ตามมากก็ตามความไม่เที่ยงมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละความไม่เที่ยงมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นนั่นแหละของสิ่งต่างๆนั่นแหละ แต่พอเรามีความยิดถือแล้วกาสวะเพิ่มมีอาสวะแล้วเป็นอาหารของอวิชามีอวิชชาแล้วเป็นเหตุให้เกิดตัณหาตัณหามันก็เป็นภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานั่นแหละเอาสองอย่างหลักๆความทีอมอมทมอมอ่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นกับความที่ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้หรือไม่อยาก ไม่มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความไม่อยากก็คือความอยากที่จะมันไม่ให้เป็นอย่างนั้นน่ะมันก็คือความอยากเหมือนกันมีความอยากมากเท่าไหร่ก็มีความยึดไปในลักษณะนั้นมากขึ้นเท่านั้นความยึดนี่ก็ไม่ไปที่ไหนนอกจากในขันห้าในอเยตนะหปัจจัย4ชื่อเสียงสิ่งของไอเดียความคิดนึกระบอบระบบอะไรทุกอย่าง เป็นขันห้าหมดเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นโรปทุกอย่างอะยึดถือมันไม่ยึดถือในอื่นนอกจากในนี้เท่านั้นยึดถือแล้วถ้ามันเที่ยงมันมั่นคงมากขึ้นมันก็ดีสิแต่มันก็ยังไม่เที่ยงไม่มั่นคงไม่ยังยืนเหมือนเดิมนั่นแหละแหมมันจะมีประโยชน์สันหน่อยหนึ่งมไมเจ้าความยึดถือนี่คิดดูดีๆเอา เอโทษเนี่ยมันไม่มีมันไม่ใช่แล้วมันก็ยังมีโทษเหมือนเดิมยังไงมันก็ยังไม่เที่ยงเหมือนเดิมเพราะเรามาคิดต่อไปดูทุบฝังมาคิดต่อไปดูเอาถ้าเรามีความยึดถือในสิ่งใดแล้วมันจะมั่นคงยั่งยืนดีมากขึ้นมันก็ไม่เป็นใช่ไหมมันก็ยังไม่เที่ยงไม่มั่นคงไม่ยั่งยืนเหมือนเดิมเอาแล้วตัวความยึดถือมันมีประโยชน์บ้างไหม มีไหมที่ถ้าเมื่อเรายึดถือแล้วเนี่ย เ, ออเราจะชีวิตเรามันจะดีขึ้นชีวิตเรามันจะราบรื่นเหมือนเขาปูพรมแดงโรยด้วยกลีบกุหลาบเดินไปไหนก็แบบว่าลอยๆไปชิวๆไปเท้านี้ไม่มีเพื่อนฝุ่นนะเขาปูปรมไม้แม้จะยึดถือมากเท่าไหร่ชีวิตมันจะราบรื่นเรียบง่ายหรูหรา หลังการมันเป็นอย่างนั้นเปล่ามันก็เหมือนเดิม่ะท่านผู้ฟังไม่ก็ยังต้องอาศัยเหตุปัจจัยเงื่อนไขอะไรที่มันจะให้มันราบรื่นรู้เรียบง่ายมันก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยของมันมันไม่ได้จะเป็นไปตามความยึดถือโอเคยึดถือมากเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ว่าจะดีมากขึ้นแบบนั้นมันก็เหมือนเดิมใช่ไหมล่ะงั้นความยึดถือมันมีประโยชน์บ้างไหมเอ้า มีประโยชน์บ้างไหมทำความดีให้ชีวิตของเราทำความดีสักอย่างได้อย่างหนึ่งในจิจของเรามันมีบ้างไหมคิดดูดีๆคิดดูดีๆถ้าได้คิดเปรียบเทียบอย่างนี้ดูบ้างบ้างถ้ามีคนตาบอดแต่กำเนิดไม่เคยเห็นเลยว่าพระจันทร์พระอาทิตย์เป็นยังไงแล้วก็ภูเขาท้องฟ้าที่ราบเรียบอะไรเป็นยังไง อะไรสวยสีสันสีแดงสีเขียวคือแบบแตาบอดมาแต่กำเนิดอ่ะนะนมันก็ไม่เห็นอะไรแล้วมีคนเข้ามาบอกว่าหุ่นคุณโอ้ยนี่ผ้าขาวเนื้อดีเน่มนุ่มมันสวยมันเนียนมันงามนะเนี่ยโอเคโอเคดีดี ด, ดีเพยมมีอีกคนหนึ่งก็เป็นแก๊งนี่แหละแก๊งหลอกลวงคนหนึ่งไม่ข้อมูลอย่างนี้ไว้ก่อนอีกคนหนึ่งก็ มาอีกสองสามวันถัดมาแล้วก็มาบอกเรื่องนี้ว่านี่นี่นีเป็นผ้าขาวเนื้อดีเลยนะเนี่ยแต่ว่าที่ไหนได้มันเอาผ้าเนื้อเลวเปื่อนกระเมามาหลอกขายหลอกขายคนตาบอดนี่แหละคนตาบอดแต่กำเนิดด้วยไม่เคยจับสัมผัส ถ, ถึงผ้าเนื้อดีมเป็นยังไงขเขาก็มาพูดให้ฟังอธิบายอย่างนั้นอย่างนี้ก็ขเข้าใจไปตามนั้นมีคนหนึ่งเอามาให้พอดีพอดีมันก็หลอกกันละ หลอกว่าเนี่ยเป็นของดีจับดูเนี่ยมือมันก็เปื้อนขมเอาแล้วจากข่าบนผ้าก็มาเปื้อนที่มือเอามาใส่ก็เปื้อนที่ผ้าเราอีกหูหน้าโดนแก้มก็กเปื้อนแก้มอีกแก้มกระดำหน้ากระดำไปตามขม่ามที่มันเปื้อนอยู่บนผ้าแต่คนตาบอดมันมองไม่เห็นเนี่ยกระจกนี่ก็ไม่รู้ละไม่เห็นหน้าเจ้าของว่า มันดำมันขาวยังไงผูค้คิดว่าเนี่เป็นผ้าขาวเนื้อดีใส่ไปเลยเที่ยวโชว์ไปในงานหมู่บ้านบ้างใส่อยู่บ้านบ้างผู้อื่นเขาเห็นเขาก็งงนะว่าเอ้าคนตาบอดนี้ทำไมเอาผ้าดำๆเน่าๆหยาบๆมาใส่นอ้อจะพูดยังไงอธิบา ย, ยัางไงเขาก็มันก็กไม่เกะแต่เพราะว่าไม่เคยเห็นนา เราก็เชื่อตามคนที่เขาบอกนั้นไปแล้วเนี่ยไอ้แก้งหลอกลวงเนี่ยมันเนียนดีท่าฟังคนตาบอดคนนี้เนี่ยก็เที่ยวถือเดินไปอยู่เป็นปีนู่นน่ะสบายใจมากฉันนี่มีของดีผ้าขาวเนื้อเลวเวืร์นขมเหลาคิดว่าเป็นของดีเขามาหลอกไว้พวกญาติพวกเพื่อนพวกอะไรต่างๆพยายามอธิบายให้เข้าใจก็ไม่ฟัง กูไม่เข้าใจไงเพราะว่ามันไม่เห็นเขาก็เลยแก้ปัญหาใหม่เราจะแก้ปัญหาอะไรเนี่ยฟังเราไม่อาจที่จะแก้ปัญหาในระนาบเดียวกันกันกบที่ปัญหานี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างความยึดถือเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาก็ยึดไปแล้วเนี่ยว่าผ้าขาวเนื้อดีเป็นของงดงามเขายึดไปแล้วถ้าเราจะมาบอกว่าไอ้ผ้าขาวเนื้อเลวนะอันนี้มันไม่ดีเปื้อนขามาวด้วยก็เขาไม่เกตก็ก็คือมันระดับเดียวกัน พวกยาดมิด ท, ที่วังประโยชน์กับคนตาบอดคนนี้ก็ทํายัางไงเขาไปหาหมอที่มีความเก่งกาจมากหมอคนนี้นี่เขามียายาที่จะสามารถหยอดลงไปเนี่ยแล้วให้คนที่ตาบอดแต่กําเนิดเนี่ยเห็นได้นะวเวลาเขาหยอดยาที่จะรักษาตาเขาหยอดทางจมูกตะบฟังหยอดให้น้ํายาเนี่ยมันเข้าไปที่กระบอกตาทางด้านหลังแล้วก็ที่จะ กัดไอ้สิ่งอะไรที่มันมาพอกเส้นประสาตาอยู่แล้วเวลาหยอดนี่ต้องนอนหยอดด้วยนะให้น้ํายานี่มันไหลเข้าไปตกอยู่ที่กระบอกตานอนอยู่สักครึ่งวันให้น้ํายานี่มันกัดลงไปเสร็จปุ๊บหยอดยาด้านหน้าอีกเกี่ยวกับเลนส์ตาหยอดยาเข้าไปทางหลังจมูกอีกเกี่ยวกับกระบอกตาประสาตาข้างหลังทําอยู่อย่างนี้ทั้ฟัง ให้มันกัดเส้นประสาทที่มันไม่ดีออกไปให้มันเสริมสร้างเส้นประสาทที่ดีขึ้นม า, ท, าทําจอประสาตาให้กระตุ้นการทำงานแล้วหย่อข้างหน้าทําความสาดเรตินาให้มันเริ่มเห็นแสงขึ้นมาได้เสร็จแล้วก็ทํากระบวนการเดิมอีกซ้ำอีกเพื่อให้แสงที่เห็นในมันชัดเจนขึ้นเป็นรูปภาพอะไรต่างๆได้ก็มีกระบวนการรักษาเรงฝั่ ง, งมีแพทย์สมัยก่อนนะ โอ้เก่งมากหมอตาสมัยก่อนไม่ต้องผ่าตัดด้วยใช้ยาหยอดไปหยอดมายาหยอดให้กัดยานัดยาบำรุงมีหลายขนาดแล้วพอกระบวนการรักษาสิ้นสุดลงเปิดผ้าออกมาเนี่ยเห็นภูเขาเห็นท้องฟ้าเห็นแม่น้ำเห็นพื้นที่ราบเรียบเห็นพระจันทร์เห็นพระอาทิตย์ เห็นสิ่งต่าง ๆ, ๆเห็นสีเขียวสีแดงสีเหลืองดอกไม้ภูเขาต้นหญ้าอุ้ยดีใจมากเลยรอยเห็นสิ่งต่างๆเพิ่งเคยเห็นเนี่ยดีใจมากแล้วปรากฏมาดูผ้าของตัวเองไหนผ้าขาวเนื้อดีที่ฉันมีเอา้าทาไมมันดำเหมือนเงี้ยคนนี้หรอสีขาวไม่ใช่นั่นสีดำเอาจริงดิเอานี้เราถูกหลอกมาตลอดเลยเหรอ ถูกหลอกว่านี้มันสีขาวจริงๆมันดำปื้อเลยแล้วก็ไม่ใช่เนื้อสวยงามด้วยลองดูดิดูด้วยตาก็รู้จับดูก็รู้สึกได้โอ้ประเดียเทียบกันนี่ด้วยความที่มีตาเห็นแล้วเนี่ยโอ้ยังจะไปเอาอยู่กับรอบผ้าเนื้อเร็วเพื่อนกระเมาหิ้งเลย้นำซ้ำยังจะตามหาด้วยว่าหมอที่มันมาหลอกเราว่าด้วยนี้เป็นผ้าขาวเนื้อดีเนี่ย ไอ้หมอ น, น้นมันอยู่ไหนเริม่มมาที่จะเชิงกับมันดูว่ามันทำไมว่าอย่างงี้มันหลอกคนตาบอดไอ้คนนั้นหาไม่เห็นเลยมันหนีไปไกลแล้วมันหลอกเราแล้วคนตาบอดแต่กําเนิดพอมีตาดีเห็นได้แล้วเขาไม่เอาแล้วป้าเขาเนื้อเลวเปืนขมเหลวไม่เอาเลยโยนทิ้งเลย เพราะโทษของมันมีอยู่อาสิ่งที่มีโทษเป็นโทษแล้วเราจะเอามาเป็นของเราทำไมไม่เอาเลยทิ้งไปเลยหรือท่านเปรียบเทียบใบทุกฝังเอาคนตาบาทแต่กำเนิดนี่นแหละไม่รู้จักช้างมาให้จับดูช้างเป็นยังไงมีเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นจริงๆนะทุกฝังในสมัยก่อนนี่ที่เมืองราชกรึ ก่อนสมัยพระเจ้าพิมิสารีประชาชานี่ก็แบบว่าเล่นสนุกไงเรียกคนตาบอดแต่กำเนิดมาในเมืองมีเท่าไหร่เรียกมาให้หมดแบ่งเป็นทั้งหมด9ก้ากลุ่มกลุ่มแรกก็ให้ไปจับหัวช้างกลุ่มที่สองก็ให้ไปจับหูช้างกลุ่มที่สามนี่ก็ให้ไปคำคำดูที่งามันกลุ่มที่สี่ก็ให้ไปคาดูที่งวง กลุ่มที่ห้าก็ไปคลำดูตรงห้องตรงกายของมันกลุ่มที่หกนี่ก็ให้ไปคําที่เท้ากลุ่มที่เจก็ไปคําที่หลังกลุ่มที่แปดเนี่ยไปคําที่โคนหางกลุ่มที่เก้านี่ไปคําที่ห่วงหางของมันตั้งแต่ปลายงาจนถึงห่วงหางเนี่ยคําแต่ละจุดละจุดแล้วก็บอกว่านี่ช้างนะทั้งหมดเก้าจุดด้วยกันคช้างเป็นตัวใหญ่ใชมล่ะ ไปต้องไปคำคำทีละส่วนละ่ะแบ่งเป็นเก้าส่วนว้าวไหนลองว่าไปดูนี่ช้างเป็นยังไงไอ้พวกที่ได้คำพวงหางช้างเบอกเหมือนไม่กวาดนะไม่กวาดนี่เคยใช้อยู่เป็นอย่างงี้ๆง้ไอ้พวกที่คำโคนหางช้างเนี่ยบอกช้างเหมือนสากตาข้าวเคยตำข้าวตำลงไปมันสามเป็นอย่างงี้ๆงนี้ไอ้พวกที่คำหลังบอกช้างเหมือนครกครอเดือง เวลาที่เขาไว้สําหรับตําข้าวเวิร์ดดีก็ใช้สากตําหรือว่าใช้ครกกระเดืองตําส่วนพวกที่คําเท้าเขาก็บอกเหมือนเสาเลยนะเสาบ้านเสาเรืออะไรองี้พวกที่คำท้ายกับมันคำท้องกขบอกว่าเอ้ช่างนพ่อมนะพ่อมนี่ก็คือภาชนะที่เป็นภาชนะจักสารก็ไว้สําหรับใส่ก็เปลือกเป็นเหมือนกระด้งแต่ว่ามันจะลึกๆลงไป โค้งใบเป็นชะลอมขนาดใหญ่ก็่าได้เร็วกว่ากระพัมส่วนพวกที่ทํางวงของมันก็บอกช้างเหมือนงอนไทถเลยพวกไหนที่ได้คลางาก็บอกว่าช้างเหมือนผานผานที่เขาไปสําหรั บ, บกีดินขึ้นมานั่นแหละเขาเรียกผานส่วนพวกไหนคลาหูของมันก็บอกเออมันเป็นแผ่นแผ่นเป็นแบ น, นแบ น, นเหมือนกระด้งเลย เป็นพวกหนที่ได้คลำหัวช้างหอกช้างเหมือนหม้อนะมันเป็นโค้งๆเบาๆเป็นทรงๆขึ้นมาแบบนี้ทั้งเกกลุ่มรำคนละส่วนเก้าส่วนมีความเห็นต่างแบบคนละแบบแต่ก็คลำช้างตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามองคนละมุมที่ยึดถือไปคนละแบบตามแต่ที่จะปรุงแต่งกันออกมา จึงได้มีการทะเลาะ ก, กันดังฝงว่าเฮ้ยไม่ได้ช้างมันต้องเป็นอย่างงี้ไม่ใช่อย่างนี้ช้างไม่ใช่อย่างนี้ต่ต้องเป็นอย่างนั้นทิมแต่งกันด้วยห่อคือปากด้วยพอตกลงกันไม่ได้ก็ลงไม้ลงมือกันด้วยใช้กำปัน้นใช้อาวุธหรือก้อนดินตะบองบ้างซัดใส่กันเป็นเพราะว่าความยึดถือไปคนละส่วี่ยึดถือไม่เหมือนกันไหนสิ่งเดียวกันนั่นแหละยึดถือเหมือนกันด้วย ยึดถือสิ่งเดียวกันด้วยแต่ยึดถือไปคนละแบบยึดถือไปคนละแบบปรุงแต่งไปคนละอย่างก็มีบาปเกิดขึ้นกุศลเกิดขึ้นทุกรอกแล้วทุกโอกอยู่ด้อะไรอะไรทำให้เรามายึดถืออะไรเป็นตัวที่เหตุให้เราต้องมายึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยความเป็นตัวเราของเราความยึดถือเกิดจากตัญหาไง ตระหคือความทะยานอยากในะละนักษณะที่เราเป็นอย่างนี้นะมีความสุขอย่างนี้มีความพอใจมีความไม่พอใจเป็นภาวะตัะหนเป็นวิภาวะตัะหนักทิฏฐิสองอย่างอย่างนี้มันมีอยู่คือภวะทิฏฐิกับวิภาวะทิฏฐิไอตัะหากเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดความยึดถือใช่ละ่ะไอความยึดถือที่มันมีมีเหตุมาจากตัะหามีเหตุมาจากตัะหา มันก็อาศัยอวิชชาคือความไม่รู้น่ะแหละว่าสิ่งเนี้มันยึดถือได้นะเราไม่รู้แต่เราดันไปยึดถือแล้วผมก็นนเนียนด้วยไม่รู้ตัวคลืบนคานไปนุ่มนวลสม o o แต่บบว่าร้ายกาดมีความที่เราไม่รู้น่ะมันเกิด อ, อวิชชาตันหากก็มีอวิชชาเป็นเหตุอวิชชา ก็มีอาสวะเป็นเหตุอาสวะก็มีภพเป็นเหตุภพก็มีอุปทานเป็นเหตุอุปทานก็มีตัณหาเป็นเหตุตัณหาก็มีอวิชชาเป็นเหตุอวิชชาก็มีอาสวะเป็นเหตุอาสวะก็มีภพเป็นเหตุภพก็มีอุปทานเป็นเหตุมันวนไปในฝั่งวนไปวนไปต่ำตมลงต่ำตมลงเข่าหมองมากยิ่งขึ้นเข่าหมองมากยิ่งขึ้นเราจะแก้ยังไงคิดไงคิด คิดดูคิดดูว่ามีไหมในโลกนี้คือมันลูบมันบนลงบนลงเราต้องตัดลูบของมันเราต้องตัดกระบวนการนี้ของมันตัดตรงไหนได้ตัดแล้ววันนี้จะตัดตรงที่อุปทานานี่แหละถ้ายึดถือแล้วมันจะยังมีประโยชน์มันยังดีก็เรายึดถือประโยชน์ในความที่ว่าขันห้ามันจะเที่ยงแท้มั่นคงมากขึ้นมันไม่เที่ยงแท้มั่นคงมากขึ้น แต่ประโยชของอุปทานมันมีไหมพิจนารณาดูเนี่ยใครคุนชมาบัตินี้แล้วเนี่ยมันไม่เห็นว่ามันจะมีดีอะไรเลยเราถูกจิตหลอกให้มายึดถืออยู่ไม่ดีไม่เอาเราคิดดูแล้วว่าในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดเลยที่เมื่อเรายึดถือแล้วจะหาโทษไม่ได้โทษของสิ่งที่เราไปยึดถือก็ยังมีอยู่เดิมโทษของอุปทานก็ยังมีอยู่เหมือนเดิม เ, เราจะแก้ปัญหาอันใดนหนึ่งทุกฝังเราไม่อาจจะแก้ปัญหาจากจุดที่มันเริ่มต้นขึ้นมาได้หรอกเหมือนคนตาบอดเขายึดถือในผ้าเนี่ยเขาต้องไปแก้ตรงที่ว่าให้ตาเขาเห็นมันไมไ่ต้องอธิบายกันมากแก้ตรงนั้นเลยมันจบเลยคือแก้ในระดับที่เหนือกว่าขึ้นไปแก้ที่เหตุของมันเรามีความยึดถืออยู่ถูกหลอกให้เป็นยึดถือขันหะผูกหลอกให้ไปยึดถืออิจตนะ โดยความเป็นตัวตวนนีถูกลอกมาช้านานแล้วโดยกิเลสที่อยู่ในจิตจิตมันถูกหลอกอยู่จิตนั่นแหละหลอกตัวเองอยู่จะทำยังไงทำตาให้ปรากฏตานี่คืออะไรคือวิ ช, ชาวิ ช, ชาดวงตาแสงสว่างความรู้ทำให้เกิดขึ้น วิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วความรู้เกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเกิดขึ้นว่าเยี่ยงไหมขันห้าเนี่ยมันเที่ยงไหมรูปเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงตันตามทำความเข้าใจในขันห้าทำความเข้าใจในอิตนะหกจัดหมวดมู่ให้ชัดเจนตามอริยสัจสี่ 4. เกิดวิจารค์กับความรู้รู้นี่มันเทียเทยเเท่ยงหรือไม่เที่ยงเมตนามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงสัญญาสังขารวิญญาณคือมันไม่เที่ยงมาอย่างไงยึดถือแล้วมันก็ไม่เที่ยงอย่างนั้นแหะก็เหมือนเดิมแหละไอ้ความเข้าใจความไม่เที่ยงตรงเนี้คือความเข้าใจเรื่องทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงกี่ต่อไปนะให้มันเหนือเลยไปสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า เอารูปใบธนาสัญญาสำคัญวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นลดปวดทวารธรรมารมพวกนี้มันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงมันก็ต้องเป็นทุกข์สิแล้มันมาคงอยู่เหมือนเดิมสภาพเดิมมันไม่ใช่เหมันไม่ได้ไปตามความยึดถือของเราหรองมันจึงไม่มีเลยนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าเรายึดถือแล้วมันยิงจะเที่ยงยึดถือแล้วมันจะลดความไม่เที่ยงยึดถือแล้วมันจะมั่นคงมันไม่มี มันไม่เท no kind of like ี no ่ยงไปยังไงมันก็ไม่เที่ยงต่อไปอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงเหตุไปยังไงสภาวะคงมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นหนึ่งคือสภาวะที่มันเป็นทุกข์ทุบฟังไม่อาจจะจนอยู่ในสภาพของตัวมันเองได้เมื่อเหตุเปลี่ยนแปลงไปสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรว่นเป็นธรรมดาควรหรอ ถ้าเราจะยึดถือมันว่าเป็นตัวเราของเราไม่ควรใช่ไ้มล่ะไม่ควรเราไม่ควรจะยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นตัวเราของเราอันนี้คือความรู้ใช่ไม้มมีความรู้แล้วความรู้นี่คือวิชาความรู้นี่คือแสงสว่างความรู้นี่คือปัญญาความรู้นี่คือดวงตา ความรู้คือปัญญานี้คืออาวุธคมๆปาดลงไปตัดละความยึดถือไม่ใช่ไปกำจัดกันห้านะละความยึดถือในจิตละความยึดถือในกันห้าความยึดถือในตมวังมันเชื่อมจิตเข้ากันกับกันหาให้เราไปยึดถือกันห้าโดยความเป็นตัวตนพอเราเห็นขันห่าโดยความเป็นวามไม่ใช่ตน เนนัตตาความยึดถือที่มันเชื่อมอยู่เนี่ยมันจะหลุดไปโดยอัตโนมัติมันหลุดไปได้ไงเพราะความจริงมันปรากฏไงที่มันพ้นจากกันไดน้หลุดจากกันไดน้นั่นคือวิมุตต์วิมุตต์แปลว่าความพ้นมีความพ้นได้ก็เพราะอาศัยวิชาคือความรู้วิชาแสงสว่างดวงตาปัญญาญาณพวกเนี้ยคือความรู้ความรู้ที่มาจากไหน วิชาความรู้มาจากความเข้าใจเข้าใจในอะไรในขันธ์หที่เราไม่รู้เราไม่เข้าใจเนี่ยคือเราไม่เข้าใจขันธ์ห้าเราไม่เข้าใจอริยสัจสีไม่เข้าใจว่าขันธ์หเป็นทุกข์ไม่เข้าใจว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ไม่เข้าใจคือมีอวิชชาว่ามันจะดับทุกข์ได้ยังไงไม่เข้าใจว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันจะเป็นหนุนท้ายเกิดความดับทุกข์ไม่รู้ไม่เข้าใจนั่นคืออวิชชา พอเรารู้เราเข้าใจว่าขา้าน้ำเป็นตุกเนี่ยที่เราเอาทุ่มเป็นของเราในพระตัญหานล้เนี่ยเราไม่เอาตัญหาละตัญหาได้ความทุกข์มันก็ไม่ทุกข์แล้วเราจะไม่ทุกข์ได้เราก็ต้องปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเราจะแก้ปัญหาคนตาบอดมองเห็นภาเพเปื้อนเข่าว่าเป็นผ้าขาวเนื้อดีเนี่ยคือเขามองไม่เห็นไงแต่เขาบอกเขามองเห็นเหมือนเขาเข้าใจไปงั้น มันก็ทำให้เขามองเห็นจริงๆสิเหมือนกันว่าคนที่มีความยึดถืออยู่นะมันเข้าใจว่าขันหน้ามันเป็นของเที่ยงเป็นกล่องมั่นคงเป็นกองยั่งยืนคิดว่าเมื่อเรายึดถือมากเท่าไหร่สิ่งนั้นมันจะยั่งยืนมั่นคงถาวร ม, มากตามความยึดถือของเรานั่นคือถูกหรอนั่นคือโง่ก็ทาให้เขาฉลาดสิจิตนี่แหละทำให้มันฉลาดฉลาดด้วยความรู้ ว่าต่อให้เรายึดถือเท่าไรขันห้ามันก็จะไม่ได้เที่ยงแท้มั่นคงยั่งยืนแปรผันตรงตามความยึดถือของเราเหมือนไม่เที่ยงมาอย่างไงมันก็ไม่เที่ยงไปอย่างนั้นนั่นแหละมันไม่ได้จะไปตามความยึดถือของเรายึดถือมากเท่าไรมันก็ไม่เที่ยงเหมือนเดิมให้เห็นเห็นด้วยตาเห็นด้วยวิจัยด้วยความรู้จากไรเป็นฐานเอาหมอมา ก็เปิดแผลลงไปหยอดยาใส่ให้มักแปดเนื้าตะบุฝังหนทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐแปดอย่างเป็นยาสำรอกเป็นยาถ่ายถ่ายความโง่ออกจากจิตของเราให้เกิดความฉลาดขึ้นให้เห็นชัดเจนว่าถ้าเราปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญามันจะเข้าใจอ่ะว่า สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราไม่ควรจะยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราของเราไม่ควรตัวเราเข้าใจขันห้าแล้วเนี่ยโอ้ยมันยิ่งจะมีความไม่ใช่ตัวเราด้วยซ้าไม่ใช่ว่าตัวเรามาเห็นขันห้าโดยความเป็นกรองไม่เที่ยงนะแต่คนที่มีปัญญาถึงจะเห็นปัญญาเนน่ะเป็นผู้เห็น ปัญญาเกิดที่ไหนเกิดที่จิตปัญญาที่มีความเข้าใจในขันห้าไม่ว่าขันห้านั้นรูปนั้นเวทนานั้นเป็นต้นเนี่ยมันจปนอยู่ใกล้อยู่ไกลเป็นของหยาบละเอียดเลวประีดหรือภายในภายนอกทั้งหมดนะอดีตอนาคต ด, ด้วยปัจจุบันด้วยเนะี่ยมันไม่เที่ยงหมดอะ่ะปัญญานะเห็น ไม่ใช่คนชื่อปัญญานะ้วหนุฟังแต่ปัญญาในจิตของเราจะบอกว่ามีจิตของเราคือมันก็พูดไม่ได้เพราะว่าปัญญาเขาเห็นแล้วว่าไม่ใช่ของเราคือปัญญามันทาให้เห็นด้วความเป็นกลางไม่ใช่ตัวตนใช่ไหมละ่ะจิ ต, ตนีกตตนต่ก็ไม่ใช่ตัวตนเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตนสัญญารูปสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวตนเห็นด้วยอะไรนะเห็นด้วยปัญญาปัญญาอยู่ที่ไหนนะปัญญาอยู่ที่จิต จิตของใครเนี่ยแหมมันจะบอกว่าของเรามันก็ไม่ใช่คือจิตของเรานั่นแหละแต่เห็นด้วยปัญญาแล้วว่าจิตไม่ใช่ของเราเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าขันห้าก็ไม่ใช่ของเราเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าอยายตนะทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวตนของเราเห็นด้วยปัญญาว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเห็นอย่างนี้แล้วยังไง นี่แหละมันคือมีดฟาดปาดลงไปตรงนั้นแล้วตัดความโง่ออกไปหลืออะไรทำมันฝังตัดความหนักออกไปหลืออะไรตทำฝัง่ง เ, เ ห, ลอองงหลือความเบาหรือความฉลาดเหลือปัญญามีแสงสว่างมีความรู้มีวิชามีปัญญามีดวงตาเกิดขึ้นว่าสิ่งนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกแล้วไม่ยึดถือไว้ไม่ยึถือไว้แล้วเป็นไง มันพ้นจากกันทูฟังหรือว่าความทุกข์เนี่ยมันดับไปดับเย็นเย็นนั่นคือนิพพานนิพพานเนี่ยแปลว่าเย็นนิพพานแล้วก็จบแล้วทูฟังไม่มีอะไรที่จะต้องกล่าวตอพอีกในตอนท้ายนี้อยากจะให้ฟังประสบเรื่องราวที่ตนได้ตรัสอธิบายาไว้กับภิกษุกลุ่มหนึ่งเรื่องราวนี้มาในสั่งยุตานิาย เป็นเหการที่เกิดที่กรุงมิลพัทมีสมัยหนึ่งที่ภิกษุกลุ่มหนึ่งเกิดมีความละโมบโลภมากในเรื่องราบสการะพระพทธาเนี่ก็จึงขับไล่ให้พ้นไปไกลๆหูไกลๆตาภายหลังท่านจึงมานึกได้ว่าโอ้ถ้าภิกษุไม่มีที่พึ่งพ้นไปแล้วก็จะมีการหมุนไปผิดเหมือนลูกโพที่ไร้แม่ จึงน้ำใจที่จะกล่าวตักเตือนสั่งสอนจึงใช้ฤทธิ์บรรดาให้มีความกล้าหาญที่จะเข้ามาหาทีละรูปละรูปและจึงได้ตรัสพุทบทนี้ไว้นังนี้ว่าภิกษุทหลายทิฏฐิทั้งหลายสองอย่างเหล่านี้มีอยู่คือภาวะทิฏฐิและวิภาวะทิฏฐิ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 ไม่มีสิ่งใดๆเลยที่เมื่อเรายึดถืออยู่จะเป็นผู้หาโทษไม่ได้อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเมื่อยึดถือคือยึดถือซึ่งรูปนั่นเองยึดถือซึ่งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ น, นั่นเองพระอุปทานคือความยึดถือของเราเป็นปจัจจัยจึงเกิดมีพบ คือความเป็นสภาวะเพราะมีพบจึงมีการเกิดเพราะมีการเกิดความแก่ความตายความโจบ ค, ความร่ำไรลาพันความทุกข์กายความทุกข์ใจหรือความขัดแย้นใจทั้งหลายจึงเกิดขึ้นความเกิดขึ้นราแห่งกองทุกทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยกันอย่างนี้พิ่คือทังหลาย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 นั่นเป็นตัวตนของเราข้อนั้นไม่กลืนพระโชก้าพิสุทลายผู้เธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเวทนาสัญญาสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงประโชก้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระโชก้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราเพราะฉนั้นไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษตัวหน่อยผู้เธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระชจ้าคา่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรเปลีนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอะที่จะตามเหนวิญญาณ น, นั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราข้อนั้นไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระชจ้าคา่พิสตายประเหตุ น, นั้นในเรื่องนี้รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง ทังที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอันมีอยู่ในภายในหรือภายนอกก็ดียาหรือละเอียดก็ดีเลวหรือประณีกก็ดีอยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ดีรูมทั้งหมดนั้นอันเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้บากนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเราวิทนาสัญญาหรือสังขารย่อนได้อย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตรหรือปัจจุบันที่มีอยู่ภายในหรือภายนอกก็ดียาบหรือละเอียดก็ดีเลวหรือบรณีกก็ดีอยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ดีวิทนาสัญญาสังขารทั้งหมดนั้นอันเธอทั้งหลาย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 เบื่อหน่ายแม่ในเวทนาเบื่อหน่ายแม่ในสัญญาเบื่อหน่ายแม่ในสังขารเบื่อหน่ายแม่ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำนัดเพราะความคลายกำนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมเกิดญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอริยสาวกนั้น ยร่อรู้ใจอย่างนี้ว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์นั่นอยู่จบแล้วคิดที่ควรทำได้ทำสาเร็จแล้วคิดอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้แหละในช่วงที่เป็นการทำการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกหัวอนังคาร ทางสตานีวิทยุกระชายเสีงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลาตีห้ถึงหโมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูุ์กับพีพ่ปุนโนเป็นผู้ดำเนินรายการสำหฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบพบพอดแคสต์แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สุริยนพัน